สสังคาทิเศษกันคำถามคำตอบในสังคาทิเศษกัน248พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีผู้กอ่อคดีพิาพาทเป็นปัจจัยณที่ไหนทรงปรารกใครเพราะเรื่องอะไรละ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 ทรงปรารบภิกษุณีทุลสนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลสนันธาก่อคดีพิพาทถามในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณ ะ, ะบัญญัติอยู่หรือตอบในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ ไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปัปณะบัญญัติถามมีสัพพัทธบัญญัติประเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทธบัญญัติถามมีสาธารณบัญญัติอาสาธารณบัญญัติอยู่หรือตอบมีอาสาธารณบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบ มีเอกโตบัญญัติถามบรรดาพระปาติโมกขุเทศสอุทเทศสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนี้จัดเข้าในอุทเทศไหนนับเนื่องในอุทเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนตอบมาสู่อุทเทศ โดยอุทเทศที่สถามบรรดาวิบัตส4อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นสีละวิบัติถามบรรดากองอาบัติ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังคาทิเศษถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบ